จึงได้ทั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะการกระทาสิ่งเหล่านี้จะนำความสิริงมงคลมาให้แก่ชีวิตโดยเฉพาะ การฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมัสวสวนะวันฟังเทศฟังธรรมขึ้นมาซึ่งในสมัยโบราณก็จะใช้ปฏิทินทางจันทรวคติ จะนับวันขึ้นแรงเช่นวันนี้เป็นวันแรงกี่ค่ำเป็นต้นแต่สมัยปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ปฏิทินทางจันทรคติเราจะใช้ปฏิทินทางสุรลยคติที่เป็นปฏิทินสากลคือเราจะมีวันจันทร์วันอังคาร ไปถึงวันอาทิตย์แล้วเราก็จะมีวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์สมัยก่อนเขาใช้ปฏิทินจันทรคติเขาจะหยุดวันโกนวันพระกันวันโกนก็คือวันเจ็ดค่ำวันพระก็คือวัน8ข้ค่ำหรือ15บห้าำอันนี้เป็นวันหยุดในทาง โบราณเพื่อพุทาธศาสนิกชนจะได้มีเวลาว่างจากภารกิจงานงานต่างๆจะได้มาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่สมัยนี้พุทาธศาสนิกชนไม่สามารถหยุดทำงาน ในวันโกนวันพระได้เราจึงต้องมาปรับปฏิทินของเราใหม่ควรจะทำวันโกนวันพระในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วให้ถือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันเข้าวัดเพื่อที่จะได้มาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม มาฟังเทศฟังธรรมกันดังนั้นวันนี้สำหรับพวกเราจึงถือว่าเป็นวันพระเป็นวันธรรมัชสวนะเป็นวันฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้พวกเราฟังธรรมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะการฟังธรรมนี้มีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1. เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันมาก่อน 2. ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความสงสัย ให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและทําทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมกันตามการตามเวลาดังในพระบาลีที่ทรงตรัสไว้ว่า กาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกลมุตตมังการาาฟังธรรมตามการตามเวลาคือตามวันพระเป็นอย่างน้อยเป็นมงคลอย่างยิ่งและการที่เราจะฟังเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อให้ได้ประโยชน์เราก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ กายสงบวาจาสงบนี้เรียกว่าศีลตอนนี้ญาตโยมมีศีลครบบริบูรณ์อตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตอนนี้ไม่ได้ลักทรัพย์ตอนนี้ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเวนีตอนนี้ไม่ได้พูดปดตอนนี้ไม่ได้เสพสรารยาเมาผู้ที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมจึงต้องมีกายวาจาที่สงบ เพราะถ้ากายไม่สงบเช่นกายไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้วาจาไปพูดไปคุยกับคนนั้นคนนี้อย่างที่กำลังมีอยู่ในศาลาในขณะนี้ฟังเทศไปแล้วก็คุยกันไปฟังแบบนี้ฟังแบบทับทีในหม้ อ, อกแกงฟังแล้วก็จะไม่รู้เรื่องฟังไปก็เสียเวลาไปอปล่า อยาฟังดีกว่าถ้าอยากจะคุยกันก็ออกไปนั่งข้างนอกไปคุยกันข้างนอกจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นที่เขาพยายามที่จะตั้งใจฟังกันอย่างนั้นเวลาฟังธรรมจึงควรระมัดระวังไม่ควรทำอะไรไม่ควรพูดอะไรเพราะนอกจากที่ตนเองจะไม่ได้รับประโยชน์แล้ว ก็จะไปทำให้เสียประโยชน์กับผู้อื่นด้วยผู้อื่นพยายามที่จะตั้งใจฟังแต่คนข้างก็คอยคุยกันพูดกันหรือทำอะไรส่งเสียงดังก็จะไปรบกวนสมาธิของผู้ฟังจะทำให้แทนที่จะได้บุญก็ได้บาปไปแทนที่จะได้กุศลก็ได้อกุศลไป ดังนั้นเวลาฟังทำกายวาจาต้องสงบต้องไม่ทำอะไรต้องไม่พูดอะไรถ้าจำเป็นจะต้องทำจะต้องพูดก็ควรที่จะออกไปจากสถานที่ฟังทำเพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นนอกจากกายสงบวาจาสงบแล้วใจก็ต้องสงบด้วย เพราะถ้าใจไม่สงบใจมัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทำที่ได้ยินก็จะไม่เข้าไปในใจเพราะมีความคิดคอยผักดันป้องกันไม่ให้เข้าไปในใจฟังเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้ประโยชน์ทั้งห้าประการดังนั้นเวลาฟังใจก็ต้องสงบคือต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้องตั้งใจฟังฟังเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็คิดตามไปพิจารณาตามไปถ้าพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจก็จะทำให้ความสงสัยหายไปได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความสงบเกิดความผ่องใสของจิตใจ ถ้าฟังแล้วคิดตามไม่ได้แต่ยังจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมก็จะได้ความสงบคือการฟังธรรมนี้เราฟังได้สองทางด้วยกันฟังเพื่อให้ใจสงบเช่นเวลาเรานั่งสมาธิอยู่ถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่ได้ใจชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราเปิดธรรมะฟัง ตั้งใจฟังเสียงธรรมไปให้เสียงธรรมเป็นพุโทโธแทนใจก็เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราพิจารณาตามไม่ได้เราก็จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมฟังไปเหมือนกับเราฟังเสียงธรรมในขณะนี้บางทีฟังแล้วเราคิดตามไม่ได้พิจารณาตามไม่ได้ไม่เข้าใจความหมาย แต่เรายังตั้งใจฟังอยู่เรายังไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเสียงธรรมนี้ก็จะทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิได้นี่คือฟังแบบไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วได้ความสงบแต่ถ้าเราพิจารณาตามได้เราเกิดความเข้าใจขึ้นมา เราก็จะได้ปัญญาคือได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราเห็นผิดเราก็จะทำผิดถ้าเราเห็นถูกเราก็จะทำถูกเช่นถ้าเราเห็นว่าการทำบาปไม่มีผลตามมาเราก็จะไม่กลัวบาปเราก็จะกล้าทำบาป เพราะเราจะไปคิดว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบไม่มีผู้ไปรับผลบาปอีกต่อไปในเมื่อผู้กระทําคือร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปต่อไปอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเราเห็นตัวเราเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองเห็นร่างกาย ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงนี้เรากลับมองไม่เห็นคืออะไรก็คือใจนี่เองใจผู้กำลังรับรู้รับฟังใจที่กำลังคิดอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นคนละคนกันร่างกายนี้คิดไม่เป็นไม่รู้อะไรเช่นเวลาไม่มีใจ ก็เป็นคนตายคนตายนี้ไปกระสิบที่หูเขาก็ไม่ได้ยินเอาอะไรไปทิมไปแทงร่างกายเขาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่มีใจใจนี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดผู้รับความรู้สึกต่างๆและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่ใช่ร่างกาย าผลบุญผลบาปนี้ก็ไม่ได้เกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแต่ละเกิดตั้งแต่ทําบุญทําบาปไปเลยเช่นตอนนี้เรามาทําบุญกันใจเราเป็นอย่างไรใจเราสงบใจเราเย็นสบายมีความสุขแต่ถ้าเราไปทําบาปหรือเราไปคิดไม่ดีเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เช่นถ้าเราไปคิดถึงสามีที่ตายจากเราไปแล้วเราอยากจะให้เขากลับคืนมาเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาว่าเขาตายไปแล้วอยากอย่างไรเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาร้องห่มร้องไห้ไปเศร้าโศกเสียใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มแต่จะทำให้เราทุกข์ใจไปต่อเปล่านี่คือการคิดทางปัญญาต้องคิดให้ตรงกับความจริงความจริงก็คืออะไรที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เราต้องอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นตอนนี้ฝนตกเราอยากไปคิดอยากให้มันหยุด เพราะถ้าเราคิดอยากแล้วใจของเราจะไม่สบายใจเพราะเราอยากให้ฝนหยุดเราอยากจะไปทําอะไรสักอย่างนึงแต่ทําไม่ได้เพราะฝนกําลังตกอยู่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้ฝนตกทําอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรมไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่ยความคิดที่ไม่ดี ความคิดที่ตรงกันข้ามกับความจริงก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันเหมือนกับเวลาเราทำบาปเวลาเราไปลักทรัพย์เราจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าจะถูกเขาจับได้เวลาถูกจับก็จะไม่สบายใจเพราะจะต้องถูกจับไปลงโทษผลเกิดขึ้นแล้วภายในใจของเรา ใจทุกนี้แหละเรียกว่านารกหรเรียกว่าระ บ, บายใจที่สุกนี้เรียกว่าสวรรค์หรือนิพานนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทําบุญทําบาปของเราเกิดขึ้นทันทีในขณะนี้และจะสะสมไปในใจไปแล้วเวลาที่เราตายไปร่างกายตายไป บุญกับบาปนี้จะมาแย่งเอาดวงใจของเราไปเหมือนกับการชักตะเยอะกันฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ที่ชนะผู้ที่จะดึงอีกฝ่ายหนึ่งไปดังนั้นเวลาตายไปก็จะเป็นเวลาที่บุญกับบาปที่เราทำไว้จะมาเป็นผู้ฉุดลาดวงใจของเรา ให้ไปสู่สวรรค์หรือให้ไปสู่อบายนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่เรายังไม่เห็นกันเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้เปิดตาในของเราเราจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นใจของเราได้เราต้องเห็นด้วยตาในตาในนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องต่อเมื่อ เราหลับตานอกก่อนเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราหลับตานอกปิดหูไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆจากข้างนอกพอเรื่องราวข้างนอกไม่เข้ามาข้างในเราก็จะเห็นตัวใจปรากฏขึ้นมานี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้เราจึงต้องเชื่อเพราะผู้ที่รู้ก่อนคือเชื่อเพระพุทธเจ้าอย่างเวลาเราฟังธรรม แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำบาปเพราะทำบาปแล้วต้องไปอบายต้องไปนรกถ้าเรายังมองไม่เห็นอบายยังไม่เห็นผู้ที่จะไปอบายไปนรกก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่เนื้น้าเชื่อถืออย่างมากเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความโลภความอยากได้อะไรจากใครทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพูดมานี้พูดด้วยความเมตตาสงสารเห็นพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดที่ยังคำทางอยู่ที่ยังต้องเดินไปเหยียบสิ่งนั้นไปเตะสิ่งนี้ไปตกหลุมตกบอ่อไปชนเสาไปชนต้นไม้ไปถูกสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับท่านจึงพยายามบอกทางนำทาง เหมือนคนตาดีนำทางคนตาบอดดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ปลอดภัยพระพุทธเจ้าบอกให้ทําบุญทําทานเราก็หมั่นทําบุญทําทานกันพระพุทธเจ้าบอกให้เรารักษาศีลละเว้นจากการทําบาปก็ให้เราทํากันละเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์ การประพฤติผิด ต, ตวัวเอนีการพูดปดการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดครั้งการกระทำเหล่านี้จะนำแต่ทุกข์มาให้กับเราไม่ได้นำความสุขมาให้กับเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นแล้วจึงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้อย่าไปประมาทอย่าไปประมาทคําสอนอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่ององมงายเพียงแต่ความเข้าใจของพวกเราเกี่ยวกับนรกกับสวรรค์นี้ มันไม่ถูกต้องท่านเองเรามักจะคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้านารกอยู่ใต้ดินกันพอสมัยนี้เขามีจรวจขึ้นไปสำรวจอวากาศเขาก็ไม่ไม่เจอสวรรค์เขาก็จะปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่มีหรือเขาส่งเรือดำน้ำลงไปใต้บาดาลเจาะอะไรลงไปในดิน เขาก็ไม่เจอนรกไม่เจออบายเขาก็จะปฏิเสธว่าอบายไม่มีนรกไม่มีแต่ความจริงแล้วนรกกับสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าหรืออยู่ใต้บาดาลหรือใต้ดินแต่นรกหรือสวรรค์นี้อยู่ในใจของพวกเราอย่างที่มีคําพูดว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ อันนี้แหละคือที่อยู่ของนรกของสวรรค์เวลาใจของเราเครียดใจของเราทุกเวลานั้นใจของเรากําลังเป็นนรกเป็นอาบายเวลาที่ใจของเราสงบมีความสุขเวลานั้นใจของเราเป็นสวรรค์แล้วสังเกตดูว่าอะไรทําให้เกิดความทุกเกิดความสุขขึ้นมาเวลาทําบุญนี้เกิดความทุกหรือเกิดความสุข เวลาทำบาปแล้วเกิดความทุกข์หรือเกิดความสุขเวลาโกหกคุณแม่อย่างนี้เกิดความทุกข์หรือเกิดความสุขขึ้นมาอลองถามตัวเองดูเวลาโกหกสามีโกหกภรรยาแล้วใจรู้สึกสบายไหมหรือไม่สบายใจเวลาสารภาพพูดความจริงแล้วรู้สึกยังไงเย็นสบายโล่งอกโล่งใจ ทำอะไรผิดก็สารภาพดีกว่าสารภาพแล้วใจจะสงบจะสบายเขาจึงมีธรรมเนียมว่าถ้าสารภาพก็จะลดหย่อนโทษให้ไม่เอาโทษแต่ถ้าไม่สารภาพโกหกนี้จับได้กับจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเราจะเดือดร้อนทั้งขณะที่โกหกและเดือดร้อนหลังจากที่รับ ต้องจับไปถูกลงโทษนี่แหละคือนรกและสวรรค์นิพพานก็อยู่ในใจของเราเวลาที่พระพุทธเจ้าบรรลุถึงพระนิพพานก็บรรลุตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่ในวันเพ็ญเดือน 6, หกขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพทรงปฏิบัติธรรมเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจน สามารถเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมักเห็นว่าทุกนี้เกิดความอยากเกิดจากความอยากคือความอยากในการการมาตัณหาความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาและการที่จะดับความทุกข์ของใจให้หมดไปได้ก็ต้องดับด้วยทานศีลภาวนา นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสรู้พระพุทธเจ้ามีทานมีสิงพอมีภาวนามีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวน า, วน า, วนาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับไปถ้าไปอยากให้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากให้สิ่งที่เกิดแล้ว ไม่ดับเช่นร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้าเกิดความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรทุกใจหรือสบายใจทุกครั้งที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเรามีความรู้สึกอย่างไรสบายใจรู้ทุกใจถ้าทุกใจก็แสดงว่ามีความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาพิจารณาความจริงมองเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นจะเป็นขอทานข้างถนนเป็นพระราชามหากรัสัเป็นมหาฮเรษฐีเป็นคารวะญาติโยม เป็นพระภิกษุเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายด้วยกันทั้งนั้นและผู้ที่ตายก็ไม่ใช่ผู้ที่กลัวผู้ที่กลัวคือใจไม่ได้ตายผู้ที่ไม่อยากตายไม่ใช่ใจผู้ที่ตายก็คือร่างกาย พอพิจารณาด้วยวิปั ส, สนาเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวทำไมเราจะไปทุกข์กับร่างกายทำไมพอเห็นความจริงก็เลยปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะเฉยๆสบายใจนี่คือวิปัสสนาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไปสั่งให้เขาไม่ดับไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราห้ามเราอยากให้เขาไม่ดับเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ห้ามเราปล่อยให้เขาเป็นไปตาม ความจริงของเขาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะเฉยเฉยสบายใจเพราะเราไม่ได้ตายไปกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราบุตรทีดาไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งไม่ช้าเขาเร็วเขาจะต้องจากเราไปถ้าเรารู้ทันเราไม่หลง เราไม่ไปคิดว่าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปเผลอไปคิดว่าเป็นของเราแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีว่าเวลาอะไรเป็นของเรานี้เราจะอยากให้อยู่กับเราเป็นเรื่อยๆไม่อยากให้จากาไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาแก้สอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราดังนั้นอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราต้องคิดเราต้องเตรียมตัวให้เขาจากเราไปพอเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ลวไว้ก่อนแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเรารู้อยู่ื่องหน้าแล้วว่าเขาต้องไปจากเราอย่างแน่นอนนี่แหละคือ การตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้สิ่งที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกไม่รู้ว่าทุกข์ของพวกเราเกิดจากอะไรไม่รู้วิธีดับความทุกข์ของพวกเราดับด้วยอะไรเราจึงต้องอยู่กับกามทุกข์อยู่อย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เชื่อพระธรรมคําสอนของพ่อพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพระอรหันตสาวกเราก็จะไม่ทําตามที่ท่านสอนเราจะไม่ทําตามที่ท่านปฏิบัติเมื่อเราไม่ทําตามผลที่ท่านได้เราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราทําตามผลที่ท่านได้เราก็จะได้ท่านไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย ท่านไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคืออนิสงส์ที่พวกเราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมกันจะได้ยินในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ยินได้ฟังซ้ํำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทําให้เราหายสงสัยในเรื่อง นโลกสวรรค์ในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องบาปจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากเราควรจะปฏิบัติตามนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับกันในวันนี้ เพียงแต่ว่าขอให้เรารักษากันไว้อย่าลืมให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆทบทวนเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังไปในวันนี้อย่าให้หลงอย่าให้ลืมแล้วความรู้เหล่านี้จะมาเป็นที่พึ่งของเราจะมาปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์อีกต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณระศีลัทนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ